กถนะเพทะว่าด้วยประเภทแห่งกถินหนึ่งกัถินะอัฏฐตาธิว่าด้วยกรานกถินเป็นต้นส0 3สใครไม่ได้กรานกถินใครได้กรานกถินอย่างไรกถินไม่เป็นอันกรานอย่างไรกถินเป็นอันกรานไม่ได้กรานกถิน คำว่าใครไม่ได้กรานกระถินนั้นคือบุคคลสองพวกได้แก่ภิกษุผู้ไม่ได้กรานภิกษุผู้ไม่ได้อนุโมทนาไม่ได้กรานกระถินบุคคลสองพวกนี้ไม่ได้กรานกระถินได้กรานกระถินคำว่าใครได้กรานกระถินนั้นคือบุคคลสองพวกได้แก่ภิกษุผู้กราน ภิกษุผู้อนุโมทนาได้กรานกถินบุคคลสองพวกนี้ได้กรานกถินเหตุกถินไม่เป็นอันกรานคำว่าอย่างไรกถินไม่เป็นอันกรานนั้นได้แก่กะถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการ24อย่างคือ 1. กะถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงมีรอยขีด 2. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงซักผ้า 3. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงกะผ้า 4. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงตัดผ้า 5. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเน่าผ้า 6. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงเย็บผ้า 7. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำลูกดุม 8. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงทำรังดุม 9. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาด 10. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงติดผ้าอนุวาดด้านหน้า 11. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงดามผ้า 12. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการเพียงย้อมผ้าเป็นสีหมดน3กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทำนิมิตได้มา 14. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่พูดเรียบเคียงได้มา 15. กระถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ยืมเขามา 16. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เก็บไว้ค้างคืน 17. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่เป็นนิสักี 18. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทํากับปะพินทุ 19. กถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าเว้นจากสังคาติ 20. กะถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าเว้นจากอุตราสงย์21กะถินไม่เป็นอันกรานด้วยผ้าเว้นจากอันตรวาศก 22. กะถินไม่เป็นอันกรานเว้นจากจีวรมีขันห้าหรือเกินกว่าหาซึ่งตัดทำให้มีมนทนเสร็จในวันนั้น 23. า กะถินไม่เป็นอันกรานเพราะเว้นจากบุคคลกราน 24. กะถินไม่เป็นอันกรานโดยชอบถ้าภิกษุอยู่นอกสีมาอนุโมทนากะถินนั้นกะถินไม่เป็นอันกรานแม้ด้วยอาการอย่างนี้อธิบายเหตุที่ไม่เป็นอันกรานบางข้อที่ชื่อว่าธรรมนิมิตคือภิกษุธรรมนิมิตว่าเราจะกรานกะถินด้วยผ้าผืนนี้ ที่ชื่อว่าพูดเรียบเคียงคือภิกษุพูดเรียบเคียงด้วยคิดว่าเราจักให้ผ้ากระถินเกิดด้วยการพูดเรียบเคียงนี้ผ้าที่ไม่ได้ยกให้เรียกว่าผ้ายืมเขามาที่ชื่อว่าผ้าเก็บไว้ค้างคืนมีสองอย่างคือ 1. ่ผ้าทำค้างคืน 2. ผ้าเก็บไว้ค้างคืน ที่ชื่อว่าผ้าเป็นนิสคีคือเมื่อภิกษุกําลังทําอยู่อรุณขึ้นมากถินไม่เป็นอันกรานด้วยอาการ24อย่างนี้เหตุกถินเป็นอันกรานคําว่าอย่างไรกถินเป็นอันกรานนั้นได้แก่กถินเป็นอันกรานด้วยอาการ17อย่างคือ 1. กระถินเป็นอันกรานด้วยผ้าใหม่ 2. กรถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเทียมใหม่ 3. กรถินเป็นอันกรานด้วยผ้าเก่า 4. กรถินเป็นอันกรานด้วยผ้าบางสุกุล 5. กรถินเป็นอันกรานด้วยผ้าตกตามร้าน 6. กกถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ทำนิมิตได้มา 7. กรถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้พูดเรียบเคียงได้มา 8. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้ยืมเขามา 9. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่ได้เก็บไว้ค้างคืน 10. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ไม่เป็นนิสกีสิบเอกถินเป็นอันกรานด้วยผ้าที่ทํากับปะพินทุ 12. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าสังคาติ 13. กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าอุตตราสง์14กถินเป็นอันกรานด้วยผ้าอันตรวาศก15กถินเป็นอันกรานด้วยจีวรมีขันห้าหรือเกินกว่าหาที่ตัดดีแล้วทําให้มีมนฑนเสร็จในวันนั้น16กถินเป็นอันกรานเพราะมีบุคคลกาน17กถินเป็นอันกรานโดยชอบ ถ้าภิกษุอยู่ในสีมาอนุโมทนากถินนั้นกถินเป็นอันกรานแม้ด้วยอาการอย่างนี้กถินเป็นอันกรานด้วยอาการ17อย่างนี้ทำที่เกิดพร้อมกันถามทำเท่าไห ร, ย ร, ร, ร, รย่ย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกถินตอบทำสิบหอย่างย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกถินคือมาติกา8 ปาริพภ o t สองอานิสง์ห้าทาสิบห้าอย่างนี้ย่อมเกิดพร้อมกับการกรานกระถิน